แผ่เมตตาอีทางปุญญาพลงอานิสงส์อันใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญไปแล้วนี้ขอผลบุญนี้จงแผ่ไปถึงเจ้ากรรมนายเวรที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินมาแล้วทั้งหลายแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดี ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายได้มาอนุโมทนาเมื่ออนุโมทนาแล้วขอให้อโหสิกรรมกันตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไปขอแผ่บุญกุศล น, นี้ไปถึงเทพเจ้าทั้งหลายที่รักษาตัวข้าพระเจ้าอยู่ก็ดีนอกจากนี้ก็ดี ั่วสากลภิพบจงมีความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทพพรหมทั้งหลายพูดผีปีศาจ ท, ทั้งหลายที่อยู่ในที่นี้ก็ดีอยู่บ้านของข้าพระเจ้าก็ดีขอให้ทุกท่านจงมีความสุข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 โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสยามเทวาทิราชทุกท่านขอให้ทุกท่านจงมีความสุขขอพลานิสงน์นี้จงเป็นปัใจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้อยู่ดีกินดีมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปและได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพาน ในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเคิน